ส่วนทำสีที่ควรละคือโอคะสีโอคะมีสีนะหนึ่งกามโมคะสองพโวคะสามพิโถคสี่อวิชโชคะโอคะนี่แปลว่าห่วงน้ำเนี่ยนะโดยศัพดว่าห่วงน้ำแตกความหมายของเขาแปลว่าย่อมยังสัตว์ทั้งหลายให้จมลงห่วงน้ำเนี่ยเป็นลักษณะไหนก็ลักษณะเียกปีก่อนนะที่เพชรบูรณ์น้ำท่วมนะเป็นเป็นลักษณะของน้ำที่มันบ่ามาแล้วก็ท่วมท่วมให้จมลงไปเลย นั่นแหละลักษณะของคําว่าโอคะนี่ก็เหมือนกันตันหาการโมคะพะโวคะกามนี่ก็เหมือนกันไหลท่วมทับสัตว์ให้จมลงในวัตต์ทิทก็ไหลท่วมทับสัตว์ให้จมลงในวะตะัตตอวิชาก็ไหลท่วมทับให้สัตว์เนี่ยจมลงในวะตะัตต์เพนโอคะแปลว่าห่วงน้ําความหมายก็คือทําให้สัตว์นี่จมลงอยู่ในวะตะัตต ก็บอกว่าพวกปูตุชนเนี่ยนะปูตุชนเนี่ยจมอยู่ในห้วงน้ําตลอดเลยนะลักษณะของปูตุชนเนี่ยถ้าเป็นพระโสดาบันนี่ก็โผล่พ้นแล้วก็แง้มมองรอบทิศได้แงะพ้นน้ําเนี่ยแล้วก็แง้มได้พระสกทาคามีเนี่ยเห็นฝั่งแล้วก็เลยไหว้พระนาคามีนี่ก็อยู่ใกล้ๆใกล้ใกล้ฝั่งพระอาจานย์ก็ขึ้นขึ้นบอกเรียบร้อยพฉะนั้นเราทั้งหลายที่ยังไม่ได้เป็นพระอาริยะก็จมอยู่เลยนะ ท่วมทั้งตาท่วมหูท่วมจมูกท่วมลิ้นท่วมกายท่วมใจท่วมหมดเลยเรียกว่าโอคะความท่วมทับเนี่ยนะหนึ่งกาโมคะเนี่ยนะโอคะที่ความติดใจในกามคุณเนี่ยท่วมทับเอาไว้ท่วมเน่ยนะตาเห็นสีสวยก็ตัณหาเนี่ยท่วมไปเลยหูฟังเสียงเพระก็ท่วมไปเลยนั้นกาโมคะเป็นชื่อของกามะตตาหาที่มันท่วมทับให้เพลิดเพลินในรูปเสียงเกลื่อนรสและโธทพะ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 อุปาติภพก็คือรูปประพรมกับอรูปประพรมรูปประชานกับรูปประพรมเหมือนกันไหมเหมือนไหมไม่เหมือนเนอะรูปประชานเนี่ยคือกรรมภพรูปประพรมนี่เป็นอุปาติภพเนี่ยนะเพราะฉะนั้นไอ้คาว่าพโวคานี่ก็คือความติดใจความยินดีในรูปประชานอรูปประชานยินดีในรูปประพรอรูปประพรคือยินดีทั้งกรรมภพและ อุปาติพบปัขนขณะใดาที่ตันอคนที่ได้ฌานเนี่ยนะยินดีในฌานด้วยอำ น, นาจตันหาอันนั้นแหละเป็นพระบูคะตันหาก็ท่วมทับฌานอีกนะท่วมทับทําให้ไม่คิดจะออกจากวัฏฏะนะอุ้ยสบายแล้วเราเกิดในพรหมโลกแล้วนี่ย น, นะมาอีกทีหนึ่งอา้าวมันหมดศาสนาไปแล้วอย่างเงี้ศาสนาคืออะไรศาสนาคือคําสอนที่นําออกจากวัตทุกเห็นะหมปั้นถ้าหากว่าเราทั้งหลาย ปล่อยโอกาสที่จะศึกษาเสกขาที่เป็นไปเพื่อความพ้นทุกเนี่ยนะโอคาจะท่วมทีนี้มันยิ่งท่วมมากข้านะไ อ, ไอ้ห่วงน้ําอันนี้มันเหมือนกับอะไรมันเกลียววังน้ําวนใช่ไหมมันก็ดูดลงไปถึงไหนโน่นก้นบาดานโน่โนดูดสูบลงไปถึงนรกเป็นต้นเนี่ยนะส่วนโอคาคือทิฐิหรือที่เรียกว่าทิฏโขคะเนี่ยเป็นชื่อของสตโตโลโกแปลว่าโลกเที่ยงอันนี้สัตตพิฐิใช่ไหม โลกไม่เที่ยงเป็นอุเฉททิติบางอย่างเที่ยงบางอย่างไม่เที่ยงเป็นเอกัจจสัตตทิติบางอย่างเที่ยงบางอย่างไม่เที่ยงเรานี่ไม่เที่ยงหรอกแต่พระเจ้าเที่ยงพรหมเนี่ยเที่ยงอันนี้เป็นเอกัจจสัตตทิติก็คือสัตตทิตินั่นแหละบางพวกนี่ก็บอกว่าชีพก็อันนั้นสรีระก็อันนั้นบางพวกบอกชีพก็อันอื่นสิริระก็อย่างหนึ่งชีพอย่างหนึ่งสรีระอย่างหนึ่ง ก็บอกว่าชีวะกับสรีระถ้าสิ่งเดียวกันเนี่ยพวกเนี่ยชื่อว่าตายแล้วศูนย์แปลกว่าบางพวกเชื่อว่าตายแล้วศูนย์แต่กลัวผีนี่สิห น, น้าหนักใจสัตว์ตายแล้วไม่มีอะไรแล้วแต่กลัวผีมากเลยแปลกไหคนเนี่ยมันก็สแสดงว่าในคนคนเดียวเนี่ยนะไม่ค่อยเต็มสักเท่าไหร่นะเขาบอกว่าพวกมิจฉาทิฏฐิบุคคลเนี่ยนะมันว่ากันเป็นพักๆนะอีกพักหนึ่งก็ว่าเที่ยงอีกพักหนึ่งมันก็บอกว่าศูนย์เอาแน่ม่นอนไม่ได้หรอก พวกมิจฉาทิฏฐิเนี่ยก็ถือว่าสัตว์เบื้องหน้าแต่ตายแล้วเป็นอีกมางพวกบอกสัตว์เบื้องหน้าแต่ตายแล้วไม่เป็นอีกได้ถามว่าอะไรนะถามว่าสัตว์ตกลงตายแล้วมีอีกหรือไม่มีสัตว์นะตายแล้วมีอีกหรือไม่มีอีก๋ อ, อสัตว์ไม่มีใช่ไหมเขาเก่งมากสาธุขอให้เห็นอย่างนั้นเจอนิสัตโตนิชีโวสุญโยสัตว์นี้เป็นบัญญัตินะเป็นโวหารที่เอาไว้เรียกกันเห็นไหม แต่พวกนี้มาเถียงว่าโอ๊ยสัตว์บางทีตายแล้วเป็นอีกก็มีไม่เป็นอีกก็มีนะวันนี้ก็เป็นลักษณะของทิโถโขฆาณะที่ท่วมทับเดี๋ยวมีโอกาสเกี่ยวกับเรื่องทิโถโขฆาเรื่องพิถิเนี่ยนะเดี๋ยวเรียนเรื่องในในเล่มอุทานอุทานเนี่ยจะมีคมาําอธิบายพิสดารแล้วก็ข้างหน้าต่อไปก็มีอีกนะโอคะคืออวิชาชื่อว่าอาวิชโชคาอาวิชโชฆาก็คือนั่นแหละไม่รู้แปดประการที่กล่าวไปแล้วนั่นแหละไม่รู้ใน ทุกไม่รู้ในทุกขสมุทัยไม่รู้ในทุกคนิโรดไม่รู้ในทุกขานิโรธาคามินีปฏิปทาก็คือไม่รู้อริยศาสตร์มันแหละไม่รู้อดีตไม่รู้อนาคตไม่รู้ทั้งอดีตอนาคตอะไรเลยเนี่ยนะหรือเนี่ยไม่รู้อะไรเลยก็นั่งทำตาเปริบๆเนี่ยเห็นแต่สีไม่นึกคำสอนอะไรไม่ได้สักอย่างเนี่แหละอวิชามันเล่นงานท่วมเห็นไหมเคยเห็นนะเห็นดอกไม้ก็เห็นแต่ดอกไม้เนี่ยก็ก็ดอกไม้เออก็ดอกไม้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 นิวรณาเนี่ยเครื่องห้ามหรือมันรัดเริงตรึงจิตเอาไว้เนี่ยนะมันห้ามทําอะไรนิวรนี้ห้ามอะไรก็ห้ามเจริญสมถาวิปัสนาไงเนี่ยนะโดยเฉพาะห้ามเจริญสมถานเนี่ยชัดเลยเนี่ยนะนิวรนี้ห้ามเจริญกรรมฐานมันไม่ให้จิตเป็นไปกับกรรมฐานอะไรรัดเริงตรึงจิตเอาไว้เลยเนาะชื่อว่ากามาเพราะเป็นเหตุใครเป็นเหตุให้สัตว์ใครอันนี้หมายถึงอะไรหมายถึง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 นะนะเพราะว่าวัตถุก ร, รมเหล่านั้นเป็นที่ตั้งแห่งความยินดีเป็นที่ตั้งแห่งความเพลิดเพลินเขาเลยเรียกว่ากามมาคุณกมมคุณนะนะเป็นที่ตั้งแห่งรอยรับจิตเนี่ยนะนะเพราะอะไรเพราะเป็นที่ตั้งแห่งความพอใจเป็นที่ตั้งแห่งความรักเป็นที่ตั้งแห่งความใครเป็นเป็นสิ่งที่ทำให้ใจลุ่มหลงก็เลยเรียกว่ากามมคุณความพอใจในวัตถุก ร, รมเหล่า น, น, นั้นนั่นแหละเรียกว่ากามมาฉันทะ ความพอใจในวัตถุกรรมเนี่ยนะอย่างอย่างที่เขาว่าเวลาเจริญกรรมฐานตายก็นึกถึงแต่ภาพที่สวยๆคิดถึงแต่เสียงที่เพราะๆที่ตัวเองพอใจอ่ะนะบางคนเนี่เจริญกรรมฐานตายร้องเพลงไปในใจไปด้วยอย่างนี้ก็ไม่ใช่แล้วใช่ไหมพวกนี้แหละเรียกว่ากามฉันท่มันท่วมทับครอบงําจิตหมดเลยบางคนก็นั่งเจริญกรรมฐานตายคุยกับเพื่อนไปอย่างนี้นะคิดเองนั่นแหละในใจนั่นแหละลักษณะนี้ก็เป็นก ร, รมฉันท่าที่ท่วมทับในใจ หรือชื่อหนึ่งคําว่าการเนี่ยแปลว่าย่อมใครคําว่ากามเนี่ยนะโดยสัย์เนี่ยหมายถึงวัตถุกรรมก็ได้หมายถึงกิเลสกรรมก็ได้เนี่ยนยวะวัตถุกรรมนี่เป็นอัพยากตะใช่ไหมรูปเสียงกลื่นรถโพธาพะเป็นอัพยากตะส่วนกิเลสกรรมเป็นเป็นอกุศลทีนี้อกุศลที่ยินดีในวัตถุกรรมเหล่านั้นแหละเรียกว่าการมาฉันทะนั้นความพอใจในวัตถุกรรมตัวนี้เรียกว่าการมาฉันทะ การมาฉันทะตัวนี้ไม่ใช่กัตตุกรรมยตาฉันทะไม่ใช่มีศรัทธาที่จะเจริญกุศลนะไม่ใช่เป็นเชื่อของอผู้มีศรัทธานะไม่ใช่แต่เป็นเชื่อของผู้ที่มีปัญหาผู้ที่มีเยื่อใยในอะไรลักษณะของความเยื่อใยในรูปเสียงเปิ่นรสโพธภาษทั้งหลายทำให้ไม่สามารถเจริญกรรมฐานได้ไม่สามารถเจริญพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติ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 ไม่ในชะ่มันก็โหนต้นนี้ไปหาต้นนั้นโหนไปเรื่อยแล้วโหนไปในป่าโหนไปโหนมาเดี๋ยวก็หมดกินไม่โหนใช่ไหมไม่ใช่เนาะชั้นใดก็ดีลักษณะของการหาก็เหมือนกันเพลิดเพลินในการเห็นเพลิดเพลินจากสีหนึ่งไปสีหนึ่งจากเสียงหนึ่งไปเสียงหนึ่งตายเรื่อยเรื่อยเนนะเหมือนกินสักกินให้พอกินให้อิ่มจะเลิกกินต่อไปเนี่ยใช่ไหม ไม่ใช่เนี่ยนะย็่งกินยิ่งโอ้อันนั้นก็ยังไม่ได้กินเลยอันนั้นก็เนี่ยต้องกลับไปกินใหม่เน่ย νε. ก็อยู่อย่างนั้นแหละลักษณะนั้นเป็นการมฉันทานิวรการมฉันทานิวรนเนี่ยแปลว่ากิเลสกามมันห้ามรัดตริงตรึงใจเอาไว้ไม่ให้เจริญกรรมฐานโดยเฉพาะห้ามการเจริญกุศลเนี่ยนะอย่างไรนะเออฟังธรรมเดี๋ยวฟังอาทิตย์หน้าก็ได้เดี๋ยวอาทิตย์นี้ฟังเพลงก่อนเนี่ยนะอาทิตย์นี้เดี๋ยวไปเที่ยวก่อนเดี๋วอาทิตย์หน้าค่อยศึกษาพระธรรมก็ได้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 ตัวที่ทำลายสังวรวิไนตัวที่ทำลายปหาณวิไนตัวที่ทำลายอาจาระทำลายอาจาระอาจาระก็คือความประพฤติที่ดีนั่นแหละที่เป็นกุศลความประพฤติที่มีโทษ เ, เวลาโทสะเกิดเนี่ยนะมันละเมิดวิไนนะละเมิดสังวรวิไนละเมิดปหาณวิไนเวลาโทสะเกิดก็ทำให้อาจาระ เสียหายทำลายรูปประสมบัติด้วยนะความถึงอะไรนะหน้าตาปกติคนนี่ควรจะยิ้มแย้มแใจ่มใสใช่ไหมมันบึ้งไปได้ยังไงโทสะนี่แหละมันทําให้อะไรปกติมนุษย์เนี่ยเป็นธรรมชาติที่น่าจะอ่อนโยนใช่ไ้ยทําไมมันหยาบกระด้างไปได้ยังไงอันนี้คือว่าทํารูปสมบัติให้เสียหายทําให้รูปที่ที่ควรจะงดงาม น, นี้เสียหายไปเพราะฉะนั้นผิวที่เสียหายทั้งหลายเนี่ยเป็นผลของอะไรโทรสะทันเวลาอะไรนะ มันึกถึงเนี่ยผมมานั่งดูแผลเป็นตัวเองเนี่ยนะที่มือเนี่ยนะมีเป็นร้อยเลยอไม่น่าเชื่อเลยมานั่งนับแล้วมีเป็นร้อยๆเลยร้อยขีดรอยขว่วนรอยอะไรทั้งหลายแหี่ยในความที่เราสนมากนะก็เห็นอ่ะเออเนี่ยเป็นผลของโทสะอนี่เศษเศษนะอย่าไปคิดอะไรมากถ้าตรงๆมันให้ผลนะ่นนะนอนไปอยู่ในอาบายเ <c oughs> นี่ยนะเพราะว่าไอ้โทสะเนี่ยนะพยาบาทตัวนี้ถ้ามันมีกําลังแรงกล้าเนี่ย มันดุร้ายเหมือนงูเลยเคยเห็นงูที่ถูกตีไหมเนี่ยนะมันงูที่ที่ถูกตีนะมันจะโดยเฉพาะงูเห่าด้วยนะมันแผ่มั น, แ, มนแสดงฤทธิดเดชของมันเต็มที่เลยแหละตอนไอตัวโทสะเวลาที่เกิดขึ้นก็ฉันนั้นนั่นแหละทําให้รูปร่างสีหน้าเววตากิริยาท่าทางเนี่ยเสียหายหมดเลยแม้กระทั่งเสียงเนี่ยเสียงไพเราะไหมไม่เนี่ยนะ แล้วก็ทำลายความสุขหมดเลยใช่โทสะนี่เวลาเกิดขึ้นเนี่ยประทุสร้ายทำลายความสุขทำลายความสุขของตัวเองไปหมดเลยนะแทนที่จะสงบเยือกเย็นอยู่ในห้องแอร์เย็นสบายไม่หรอกเราร้อนเนี่ยนะทำลายความสุขให้ถึงความพินาศอันตัวโทสะนี่เป็นตัวที่ประทุสร้ายมากๆโทสะนี่เป็นทุกขสัจจะนะตัณหาเป็นสมุทยสัจจะ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 อย่างน้หรืว่ายังห่วงมากเลยนะกลัวจะไม่ได้โกรธอย่างนี้ว่าเพราะนั้นตัวความโกรธเนี่ยเป็นตัวที่ตรึงห้ามไม่ให้เจริญกุศลจิตเช่นมีเรื่องไม่สบายใจเนี่ยนะไอเรื่องไม่สบายใจเนี่ยนะตัวปัททุสร้ายทําให้เจริญกุศลได้ไหมต่อนเนื่องเพราะนั้นถ้าเรื่องไม่สบายใจเกิดขึ้นเนี่ยขณะนั้นพยาบาทนิวรกลุ่มลมแล้วเนี่ยนะคิดถึงลักษณะของการมฉันทานเนี่ยคิดง่า ย, ายๆว่าเมื่อใดที่ปล่อยใจไปในสิ่งที่ตัวเองชอบ เว้นเว้นในเรื่องกุศลนะเว้นเฉพาะเกี่ยวกับกุศลในรูปเสียงกลิ่นรถโพธาพะที่ตัวเองชอบปล่อยใจท่องเที่ยวไปเรื่อย ๆ, ๆ, ๆลักษณะนี้เป็นกามฉันทานิวรคิดสรรหาแต่เรื่องเลวร้ายเอามาคิดนะอันนั้นแหละเป็นลักษณะของพยาบาลนิวรสรรหาแต่เรื่องเลวเลวร้ายเรื่องเสียหายเรื่องที่ถ้าว่าเราป่วยเราจะอยู่ยังไง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 เพราะว่าโทสะนี่แหละเป็นปัจจัยทำให้ตกนรกนเนี่ยนะส่วนทีนะมิธาอันนี้เรียนไม่ยากนะช่วงใบบายนี่เห็นง่ายมากเลยนะดูหน้าพอรู้ไหมว่าทีน่มันกลุ่มรุมคนง่วงดูไม่ออกก็ทำได้เลยนะห น, นังตาปกติเนี่ยโอ้ยเบาๆเนี่ยนะเขาบอกว่าวิธีแก้ง่วงทํายังไงบอกเออได้เวลาพักแล้วเอิรนหมดเลยกันนี้คนะีได้เวลาอาหารแล้วอย่างเงี้ยนะก็เตื่นหมดแลนะ ทันทีนะเนี่ยแปลว่าความหดหู่มิท่าก็คือความท้อแท้แปลว่าไม่เพิ่มพูนควรจะเจริญเติบโตใช่ไหมมันดีลงดีล ง, หลงเหมือนกับว่าตอนแรกนะเนี่ยพลังงานเนี่ยเหมือนเหมือนอะไรนะเหมือนเครื่องเสียงที่แบตเตอรี่มันอ่อนลงอ่อนลงอ่อนลงนะเนะมันไม่เพิ่มเลยมันมีแต่ลดลดลดลดลดลดลดล ด, ลด ห, ห, หมดความอุตสาหะใช่ไหมกําจัดจนถึงไม่มีความสามารถไม่ ข, ขมักขมันนะ ไม่สามารถนะศีรษะนี่มันเคยเบาๆเนี่ยมันก็ยกเริ่มยกไม่ขึ้นแล้วใช่หมอะไรอะไรก็ยกไม่ขึ้นหนังสือก็จะเปิดไม่ได้แล้วมันหนักไปหมดเลยท้อเรียกว่าทีนะมิทธะทีนะเนี่ยมันทําให้จิตท้อแท้มิทธะทําให้เวทนาสัญญาสังขารท้อแท้มันห้ามตรัดตรึงตรึงจิตเนี่ยทาให้หมดประสิทธิภาพทําให้หมดหดหัวนะพูดแต่แบบไม่ใช่หดหูแบบโทสะนะหมายความว่ามันรีบปลี่ยนรีบปรี่ริปรี่ร ทำให้จิตเจตสิกเนี่ยหมดเรี่ยวหมดแรงไปหมดเลยนะตัวนี้ก็ห้ามการเจริญกุศลนะถีนามิธานี่ห้ามการเจริญกุศลอย่างมากทําให้ไม่สามารถเจริญกุศลเนะี่ยตัวที่บันทรเวลาอ่านพระไตรปิฎกมากเลยก็คือเนี่ยถีนามิทานเนยนะยิ่งอ่านพถ้าทำที่ลึกซึ้งยากๆด้วยเนี่ยนะออ้ยมันแทรกเข้ามาเนี่ยนะมันยิ่งกระช่างอีกนะมันทับไปหมดเลยแล้วก็ทานอาหารอิม่มๆด้วยนะ แล้วก็อ่านหนังสือที่โดยเฉพาะอ่านพระธรรมด้วยนี่หมมันเข้ามาดีจริงๆเลยนะท่วมทับเนี่ยนะมันทับจนลืมตากระแทบไม่ขึ้นเลยแต่บอกว่าไปเที่ยวยังไงโอ้ยตื่นหมดเลยทันทีนะกระปรีก้กระเป๋าสดชื่นรื่นเริงไปได้ต่อ